อย่างไรก็ดีการได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะนำไปใช้ปฏิบัติได้บ้างในการประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาและทรงแก้สาเร็จไปในรูปต่างๆกั น, กนเช่นพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองราชคฤติตนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา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 ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ทูลถามเป็นคาร้อยกรองว่าข้าตัวอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าข้าความโกรธเสียได้ก็จะนอนเป็นสุขแล้วพระองค์ก็ทรงทาให้พรามเลื่อมใสได้อีกเรื่องหนึ่งพรามอีกคนหนึ่ง รู้ข่าวว่าพราหมณ์ตระกูลเดียวกับตนออกบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าก็โกรธจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงก็บริภาษพระองค์ด้วยคำหยาบคายต่างๆพระพุทธเจ้าทรงปล่อยให้พราหมณ์นั้นบริภาษพระองค์เรื่อยไปจนพราหมณ์หยุดไปเองเมื่อพราหมณ์บริภาษจนพอแก่ใจหยุดแล้วพระองค์จึงตรัสถามว่าขอถามใลยเถิดท่านพราหมณ์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 มันก็เป็นของชั้นเองนะสิพระพุทธเจ้าตรัสตอบความว่าเอาละ่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันที่ท่านมาดาเรานะเราไม่ขอรับคำด่าของท่านละ่ะขอให้เป็นของท่านเองก็แล้วกันจากนั้นจึงได้ทรงสนทนากับพรามต่อไปจนพรามเริ่มใส่ ย, ยอมเป็นสาวกอีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาทที่บ้านอุทยพรามวันแรกพรามเอาข้าวมาใส่บาตรถวายจนเต็มวันที่สองพระพุทธเจ้าเสด็จไปอีกพรามก็ถวายอีกวันที่สามพระพุทธเจ้าเสด็จไปอีกพรามก็ถวายอีกแต่คราวนี้พอถวายแล้วก็กล่าวว่าสมณโคดมอ ง, งนี้ติดใจจึงมาบ่อย พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบร้อยกรองเป็นคาถาเล่นคําโดยปฏิพานเป็นทํานองเตือนพรามโดยในยะว่าฉไหนจะท้อถอยเสียการกระทําส่วนมากจะให้ได้ผลก็ต้องทํำบ่อยๆดังนี้กสิกรก็หวานพืชบ่อยๆฝนก็ต้องตกบ่อยๆชาวนาก็ต้องไถนาบ่อยๆรัฐจึงมั่งมีทัญญาหารบ่อยๆคนมาขอบ่อยๆ คนให้ให้ไปบ่อยๆคนให้ครั้นให้บ่อยๆก็ได้พบสวรรค์บ่อยๆคนรีดนมก็ย่อมรีดบ่อยๆลูกวัวก็หาแม่บ่อยๆย่อมต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนบ่อยๆส่วนคนเคลาเข้าหาคันบ่อยๆแล้วก็เกิดก็ตายบ่อยๆต้องหามไปปราชาบ่อยๆ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 พระองค์ได้เสด็จไปประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งพราหม์เจ้าของนาเห็นก็คิดว่าพระองค์มาขอบิณฑบาตจึงกล่าวว่าท่านสมณะข้าพเจ้าย่อมไถนาหวานข้าวรันแล้วจึงได้บริโภคแม้ท่านก็จงไถนาจงหวานข้าวแล้วจงบริโภคเอาเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหม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 เรามีศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและไถเราไถนาอย่างนี้แล้วย่อมได้อมาลิ์เป็นผลทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงขอจบเรื่องนี้โดยนำเอาดำรัสของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาเป็นคำสรุปดังนี้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 สมณะบัณฑิตบางพวกผู้มีปัญญาสุ ข, ขุมสามารถปราบวาทะฝ่ายปรปักได้มีปัญญาเฉียบแหลมดุดจะยิงขนทรายได้ท่านเหล่านั้นเหมือนจะได้เที่ยวเอาปัญญาไปทำลายหลักทิษดีทั้งหลายของคนอื่นๆพอได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมจะเสด็จมายังบ้านฤๅนีคมโนนสมณะเหล่านั้นก็จะพากันเตรียมปัญหาไว้